ส่งกันบ้านเลยไปใครก็ได้เมื่อนนี้ชุลองเลิกที่รูปแบบไปประมาณ3สองอาทิตย์กว่าเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอเมาสักสองสมวนันนี้ใจมันก็รู้สึกสงบแล้วก็กลับมาเดินจงกรมได้แบบรู้สึกมันมีฉันทาขึ้นนะเจ้าค่ะโดยไม่รู้สึกว่าว่าแบบไปบังคับอยูอ่เจ้าค่ะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็ื่นล ชั้นท่ามันก็เกิดเองแต่ว่าเราทําสม่ําเสมอนะทําให้มันสบายถ้าเราภาวนาแบบสบายๆมีความสุขมันจะขยันเนะถ้าภาวนาเราเคร่งเครียดมันก็ไม่ขยันหรอกมันไม่อยากทําเรามันทุกข์แล้วก็รู้สึกว่ามันมีนิสัยที่กลับไปเป็นเด็กเยอะมากค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลยคือบางทีมันก็งอนม้มโหไม่พอใจแล้วก็อะไรแบบที่ไม่ต้องไปเก็บดมัน แต่เดิมเราไปเก็บพดเระวางอ้อร์มเราไปสร้างหมูกระดาษขึ้นมาตัวให้รู้ลงไปเลยนะก็ตอนที่ภาวนากับหลวงพ่อก็บอกว่ารู้สึกว่าจะตั้งใจมากแล้วก็จะเกรงเวลายอยู่กับหลวงพ่ออะไรนี่เจ่ะตอนที่ภาวนาจะทำตามรูปแบบท่านแต่แบบจะเหมือนเด็กดือ้อเจ้าค่ะคือท่านบอกให้ทำแบบนี้ก็จะแบบจะบอกท่านว่าขอแบบนั้นได้ไมอะไรคือ แล้วก็จะเห็นว่ามันถ้าอย่างนี้ไปวัดต่าจะถูกไล่ออกมาจากวัดเลย <c oughs> หลวงพ่อท่านเมตตามากนะเจ้าค่ะท่านก็ค่อยๆบอกค่ะคือจริงๆแล้วครูบาอาจารย์จะรู้นะว่าตอนนี้เราควรทำอะไรอย่างบอกว่าทำอย่างนี้สิเนี่ยเราดูออกเนี่ยทำอย่างนี้แป๊บเดียวจะดีแล้ะเ <c oughs> คยมีเด็กคนหนึ่งนะตอนนั้นอยู่สวนผพไปเรียนบอกใ ห, ให้ให้ดูเข้าไปเลยคิดมาก ไม่ได้หรอกครับต้องทำสมถาก่อนแล้วทำมานานยังทำมาหลายปีแล้วครับ <c oughs> เคยสงบไหมไม่เคยเลยครับบอกโอ้ยตายแล้วอีกอกี่ชาติมันจะไปได้ยังดื้อ น, นะบอกให้ทำอะไรมันก็ไม่เอาอเถียงลูกเดียวตอนนั้นเรายังไม่แก่เท่านี้เราก็ยังเถียงไหวเดี๋ยวนี้ไม่เถียงด้วยแล้วใครอยากทาอะไรตัมใจรู้หลงนะรู้ง่ายๆรู้เล่นๆรู้สบายๆธรรมะต้องสบาย อ๋อเจ้ค่ะมีอะไรต้องแก้ไขอีกเยอะๆนอกจากความดือ้อเจ้าค่ะดื้อก็แก้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่แก้ได้นะมีแต่ว่ารู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นรู้ตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่างเราไปเห็นสภาวะที่ไม่ดีเราไม่ชอบให้รู้ที่ไม่ชอบเนี่นะ้เห็นที่สภาวะที่ดีที่สุขที่สงบแล้วชอบติดอกติดใจรู้ว่าติดอกติดใจ จะรู้เข้ามาให้ถึงใจตัวเองนะที่หลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูจิตก็คือดูให้ถึงจิตถึงใจตัวเองส่วนมากดูได้แก่ของนอกๆหรือดูได้แต่อาการของจิตเช่นจิตไปปรุงแต่งเกิด น, นิมิตแสงสีอะไรขึ้นมาเมื่อแต่สนใจสิ่งเหล่านั้นลืมดูว่ากําลังสนใจอยู่ลืมดูจิตตัวเองถ้าดูเข้ามาถึงจิตตัวเองนะกิเลสตันหาครอบงําจิตไม่ได้ จ, จะตื่นขึ้นมันมันง่ายกว่าที่คิด โดนมลหลวงพ่อขาที่หลวงพ่อพูดไปเมื่อกี้โดนมนลเห็นไหมหมูโผล่ขึ้นมาแล้วทันทีที่หยิบใหม่อ้ <c oughs> อาวว่าไปที่หลวงพ่อพูดอ่ะมลเลยแหละแบบเมื่อเช้านะคะหมูสุกแล้วก็ชอบแบบนั่งพอชอบก็ปรุงพอสุกเริ่มลงก็ปรุงใหม่มันจะแบบมันถ้าไม่ดูดีๆนะคะ <c oughs> มันจะเห็นเหมือน มันก็หมูอยู่ตลอดเวลาเออดูไปนะมันตัวปลอมเราเรียนของจริงเราไม่ได้เรียนจากของปลอมของจริงคือเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้แกล้งไปทำให้ดูดีๆจอยจะรู้รสชาติของการแกล้งทาเป็นให้ดูดี <c oughs> อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดูดีแต่ก็ดีกว่าดูร้ายอย่างน้อยก็ช่วยให้คนบางส่วนมีความสุขขึ้น ตอนนี้มันแบบมันมันทุกขอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะบางทีเมื่อเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นตัวเนี้ยค่ะมันเหมือนอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ข้างในมันอยู่ตรงอกเลยค่ะมันก็ดิ้นดินแต่บางทีมันไม่ใช่ตัวดิ้นดินอย่างเดียวมันเป็นแบบขึ้นๆเลยไม่รู้ค่ะตรงกลางค่ะอันนี้แปลว่าเราลงไปจมกับมันหรือว่าไม่ไถึงเราไม่จมนะเราก็เห็นในคลื่นนี้ได้แล้วคลื่นนี้มีอยู่ทั้งวันทั้งคืนใช่แล้วมัน ขณะที่เห็นอยู่มันก็เห็นว่ามันก็รู้ว่ามันออกไปด้วยอื ม, มันคนละอันกันคนละอันกันเดี๋ยวจิตก็รู้คลื่นนี้เดี๋ยวจิตก็หนีไปที่อื่นครู้อย่างนั้นนหะรู้ถูกต้องละ แ, <ต>แล้วบางทีมันก็ลงอันนี้ <ไป S 2> มันเป็นความคิดของจิตเป็นความปรุงแต่งของจิตคลื่นเนี้ยนะยังไม่แปลเป็นภาษามนุษย์ถ้าสัญญาเข้าไปกระทบคลื่นนี้ถึงจะแปลออกมาเป็นเวอร์ดิงเป็นคำพูดได้ใคลื่นเนี้ยนะใช้สื่อสาร คนที่รับคลื่นนี้ได้คุยกันได้มันส่งสัญญาณมันเป็นภาษากลางของจิตมันก็เป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมมันเป็นทุกข์แล้วยิ่งไปเห็นมันนะจะพบว่ามันมีทั้งวันทั้งคืนยิ่งทุกข์เยอะเลยนี่หลวงพ่อเคยเล่าเรื่อยๆในซีดีก็น่าจะมีมั่งที่ช่วงหนึ่งภาวนาแล้วเห็นคลื่นนี้ทั้งวันทั้งคืนมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยใจนี่แห้งผากเลย ใช่จู่ก็สงสัยว่าทําไมมันอยู่ได้นานนี้แบบดูมันก็ไม่หายสักทีไม่ขาดหรอกเพราะมันต้องเป็นมีอย่างนี้ยนีแต่ว่าพอเราไปรู้เราไปเห็นแต่เดิมไม่เห็นนะเราไปเห็นของที่หยาบหยาบนี้เราไปพบว่ามันปรุงตลอดเวลาปรุงไม่เคยหยุดพักเลยเห็นแล้วเหนื่อยเห็นแล้วแห้งผักแล้วก่อนหน้าเนี้ยมันมันเหมือนไปมันก็รู้ว่ามันไปสร้างเปลือกแล้วมันไปสร้างเปลือกแล้วมันเปลือกอันนี้เดี๋ยวไม่ดีไปสร้างอันใหม่สร้างแล้ ตอนนี้เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วนะมันจะมีเป็นแอคของมันเรื่อยๆให้รู้ทันนะเราเป็นดารามันจะสร้างอัตโนมัติให้รู้ทันไปแล้วบางทีมันก็เบื่อเหมือนกันเพราะว่ามันก็พอมันไม่ใช่อันนี้มันก็ไปสร้างอันอื่นพสร้างอื่นเหมืนกันมันก็ไม่ในโลกนี้ก็คือจิตนี่แหละสร้างพบอยู่ตลอดเวลาคุ้นเคยแต่จะสร้างพบไม่เคยรู้ทันพบที่ตัวเองสร้างขึ้นมา เมื่อเราภาวนาวันหนึ่งเราก็เข้าใจมันก็จะหลุดพ้นจากมันอย่างไอตัวคลื่นๆเนี่ยใจดูไปเรื่อยไปแห้งเลยต้องทําความสงบเข้ามาหลวงพ่อหาทางช่วตั้งนานเลยเป็นเดือนๆ น, นะไปหาครูบาอาจารย์หาหลวงพ่อพุทธไปถามอาจารย์มหาบัวอะไรเงี้ยบอกรู้ลงไปการภาวนาพอมันละเอียดแล้วเหลือแต่คลื่นยิบยับยบ ย, บยับอย่างนี้แหละรู้ตามทฤษฎีแต่ใจเราไม่ชอบอะ่ะใจน่ะแห้งเลย ต้องทาความสงบเข้ามานะพอความสงบแล้วพอจิตย้อนไปดูนะั่ก็ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยเ อ, อ๋มีอะไรคุยวะ่ะเนี่ยหมูกระดาษอีกตัวหนึ่งครับ <laughs> แข็งเปกเลยเออตัวนี้ยังไม่เปียกน้ําตัวแข็งอยู่ <laughs> <laughs> คุณเลิศว่าไงคุณเลิศเอาสั้นๆเนานะคุณเลิศเยอะวันนี้ยังดีนะวันนี้น้อยนะทุกวันจะเต็มสารา ฟังฟังฟังคุยถามเด็กๆผมก็รู้สึกละอายไม่กล้าถามแต่ก็จงตั้งใจมาถามแล้วก็ขออนุญาตถามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่คุณเลิศไ<ะ>ม้ตัวนั้นมันไวเกินไปหรือมั้งคือผมก็ตั้งแต่ที่อาจารย์จากมาคุณเลิศเอาไม้ให้ต่ําลงนิดหนึ่งครับคุณเลิศเป็นคนเสียงดังคนไม่ ค, ค่อคุ้นใหม่ก็ <laughs> <laughs> ก็พยายามเปลี่ยนวิธีปฏิบัติจากการเพ่งเพราะรู้ตัวว่าจิตมันนิ่งเกินไปพยายามแก้ไขมาแล้วก็ก็มีล่าสุดเนี่ยมีอาการแปลกก็คือว่าผมเดินจงกรมผมก็ไม่มีการกำหนดพุทโธทังสิ้นแต่รู้ลมหายใจเข้าออกก็เดินไปเรื่อยความคิดก็เกิดขึ้นมาความคิดเกิดก็ให้รู้ว่าเกิดพปล่อยเขาคิดไปถ้าพักโมก็เตือนว่านี่เราคิดอยู่นะเราหลงคิดนะ พรนั้นเองก็เกิดสติขึ้นมามันสว่างมาค<อ>วามเลื้งเลื้งวาฟขึ้นมาอ่านั่นแหละมันตื่นขึ้นมาอ่าแล้วก็มันก็คิดต่อครับมันยกเอาคําสอนของหลวงปู่ดุลที่มาว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อหยุดคิดจริงรู้ ก, ก้อนเรื่องเกิดอาการพร่งในธรรมอ๋อคำว่ารู้นี่คือสตินี่เองเนะาะผมก็มันกเกิด อ, อาการบอกสติมันครอบทอบกายผมเต็มไปหมดเลย อันนี้เกิดจากอะไรครับก็พอมีสติขึ้นมานะแต่คุณเลิศอย่าไปประคองไว้นะเขาเป็นของเขาเองไม่เป็นไรนอย่าจงใจก็แล้วกันมันเหมือนอะไร ท, ทหารเตรียมพร้อมร้อเปเซ็นตผมสติมันหอร่างกายหมดเลยะแล้วผมขอผมน้อมให้ตัวรู้ดูดูจิตผู้รู้ดูจิตนะพราคนว่าสติก็ล้อมจิตเต็ไมไปหมดเลยอ<น>ืแต่อย่าไปบังคับมันครับผมนะผมันเป็นอยู่นันอยู่พักใหญ่ ๆ, ๆแล้วเกิดเกิดจากอะไรทีนี้เป็นปกติ เปอย่างนั้นละใครๆก็เป็นนะครับอ๋อคือเสร็จแล้วไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะคุณเลิศ ด, ดูไปเรื่อยๆด้วยความใจเย็นๆอย่าไปประคองอย่าไปรักษาสภาวะใดๆเลยสภาวะทั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงให้ดูต่อหน้าต่อตาหนแหละนะ<อ>ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเห็นไหมมันครอบไว้แล้วมันก็หายไปครับผมแต่อย่าไปจบใจให้ครอบคุณเลิศรู้สึกไหมจิตคุณเลิศไม่เหมือนเดิมจิตมันไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนมันเคร่งเครียดอันนี้มันสว่างขึ้นมารู้สึกไหมมันสว่างมันโปร่งมันโล่งกว่าก่อนครับนะแล้วมันก็สงบกว่าแตรกร่ก่อนด้วยดูออกไหมคื อ, อถ้าถามตอบมาคือตอนนั้นพอเกิดสติขึ้นมาผมก็น้อมจิตไปถึงผู้รู้ผู้รู้ก็เอาไปดูจิตก็ไม่เห็นจิตเพราะว่าพลังจิตเนี่ยมันพลังสติมันคุมหมดเลยก็ยอมนมาดูที่ตัวดูดูผิดล้วนะ ดูผิดแล้วผิดแล้วเออไม่เพราะว่าดูที่ตัวว่าคนตัวเราหายคุณเลิศอ่ะไปใช้สิ่งที่หลกงปูดูลบอกว่าใช้จิตแสวงหาจิตแล้วนะฮะเอาจิตไปดูจิตมันจะไปเจออะไรเพราะจิตมันเป็นคนดูใช่ไหมนั้นอย่าไปดูจิตตรงๆมาดูที่กายได้ไหมฮะได้ดูกายประกอบกายไม่มีฮะเป็นเป็นก้อนวัตถุอะไรไม่รู้จิตเข้าครองอยู่อนั่นดูอย่างนั้น เป็ไม่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราครับเป็นวัตถุธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่ช uh> ั uh um ่วคราวเนี่ด uh ูอย่างนี้ครับะดูอย่างนี้เรื่อยๆไปเขาก็งงว่าทำไมร่างกายเราหายไปไหนมีแต่ก้อนอะไรอยู่เนี่ยเออนั่นแหละเขาเรียกว่ารูปเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่คนด้วยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาครับเห็นแต่ว่าเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนธาตุที่มีใจครองอยู่ครับอาศัยอยู่ชั่วคราวครับ แล้วจิตใจเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์คนนี้ใจไม่เที่ยงครับเราดูร่างกายเราเห็นมันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุดูจิตใจเราเห็นแต่ความไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนคุณเลิศดูไปอย่างนี้เรื่อยๆครับมันเป็นของชั่วคราวจริงชั่วคราวแล้วก็บังคับก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยสนุกและรู้สึกไหมครับชักสนุกแล้วเขาเขาเขาอยากถามคำถามเ่ยคือเป็นเป็นปรากฏการณ์เนื่องมาจากฝันนะ คืออย่างนี้ครผมกําลังฝันอยู่ในตอนเช้าวันหนึ่งเพรากฏว่าขณะที่ฝันอยู่ก็ไปถึงเรื่องตอนที่ว่าเจอพระองค์หนึ่งแล้วมีลูกศิษย์เป็นเพื่อนของเขาเองผมก็มองไปเอ้เพื่อนคนนี้มันเป็นคริสต์มันมันมีมันมันเป็นลูกศิษย์พระได้ยังไงจิตก็โวยวาย่าแกแกฟรุงแต่งผิดแล้วปรุงแต่งผิดแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะคิว่าไอ้ตัวขันห้าที่ปรุงแต่งมันหยุดการทํางานค้างอยู่อ่ะ ก็จิตก <Bobby> ็เข้าไปตรวจสอบว่าก่อนว่าโอ้ไอเจ้าตัวรูปประคันเนี่ยมันท <noise> <t> ํางานโอ้โหทํา <Bye> มันม <speakers> uh ีห huh. น้าที่ทําแต่งอย่างเดียวสร้างรูปอย่างเดียวอืมันก็ดูต่อไปอ้าวมันไม่ได้มีรูปประคันมันมีเวทนาก็เป็นกองไว้ทั้งสี่กองเป็นกองทับใหญ่โตเลยโอ้โหขันห้าเป็นอย่างเงี้ยเหรอก็ก็เข้าใจขึ้นมาวราก่ว่าจิตมันทอจากขันห้ามาแล้วก็ขันห้าก็กองอยู่กันอยู่อืตอนนี้ผก็ดูต่ออ้าว มีธรรมะลอยตัวหนึงจิตก็ถอดออกไปตัวหนึ่ ง, ง, ห, งหรือแต่ผู้รู้อย่างเดียวอ่ะก็ถูกแล้วอย่างนี้ใช่เลยทํานี้ก็ใช่สิฝึกไปอย่างนี้แสุดท้ายก็จะเห็นนะไม่มีตัวเราครับมีแต่ขันต่างๆเขาทํางานตามหน้าที่ของขันนะ ร, รูปก็ทาหน้าที่ของรูปเวทนาก็ทําหน้าที่เวทนาจิตทําหน้าที่ของจิตอดูอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นเลยไม่มีตัวเราครับอีกมาอีกวันนะฮะฝันอีก พอเตยขึ้นมาไม่ได้ฝันนะบอกไอ้วันนี้ดีทำให้ฝันมีคามีเสียงมาจากไหนทางไหนว่าจะแสดงให้ดู hmm. ก็เห็นจิตเป็นรูปคล้ายๆฟักขเขาๆขนเนี่ยมันเข้าไปไปสร้างเซออารมณ์กับธรมรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ว่ามันก็กลางตัวสยายปี่สยายอะไระมัดใหญ่เลยแล้วจิตนั้นก็ลอยไปไปไ ป, ป, ไปข้าเขากับขันห้าขันห้าก็มัดอีกฮะโอ้โห มันเครียดมากนะ<ม>ในที่ม อ, มองในจิตนะะอืไม่ได้ฝันนะะมันเห็น<ม>เขาบอกแสดงให้ดูไม่เครียดแนะผมบอกโอ้ยทาได้ไวแล้วจิตมันหลุดพุทธไปฮะ<ม>อรอพอผู้รู้ก็มองเห็นจิตดวงนั้นสุขสสยมากลอยเด่นอยู่ฮะ<ม>จิตผู้รู้ก็ตามเข้าไปดูโอ้โหสุขสสยสะอาดมากแล้วก็มีความบริสุทธิ์ผ่องอย่างนั้นเฉลยก็กลว่าผู้รู้เกิดรวมตัวเขา้ากับจิตดวงนั้นนะอื ก็มีอาการฟูขึ้นมาในจิตเต็มที่เลยะอิ่มไปหมดผม่าเออแปลกนะอะไรเนี่ยมันมันเป็นใช้ว่าสันตินะครมันฟูขึ้นมาเต็มไปหมดเลยผมก็รู้สึกคือเราไปหลงตามมันไปและวนะฮะอย่าไปหลงตามดูมันไปนะอย่างดวงใสหลุดขึ้นไปเนี่ยดวงนั้นไม่ใช่จิตสแล้วนะจิตคือคนที่รู้ว่ามีดวงใสหลุดขึ้นไปอเราไปตามดูอาการของจิตนะ นั้นเป็นอาการของจิตที่ปรุงขึ้นมาอไม่ใช่จิตหรอกจิตน่ะเป็นคนไปดูมันคุณเลิกนึกออกไหมไอ้ดวงนี้มันหลุดขึ้นไปเนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูครับอะไรที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตหรอกอ๋อผู้ดูนี่ผู้รู้นี่คือจิตใช่ไหมผู้รู้นั่นแหละคือตัวจิตอแต่เราอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะแต่ผู้รู้เนี่ยบางทีมันก็อยู่ของมันลําพังบางทีมันก็เข้าไปเกาะกับขันอหรือมันจะไปไหนก็ได้ ต่ อ, อ, อจิตถูกถูกหลอกนะถูกหลอกนะเข้าใจแล้วครับมันเป็นนิมิตนิมิต ท, ทั้งทั้งที่ลืมตาอยู่เนี่ยทำได้อถ้าจิตมันทรงสมาธิอยู่มันก็เกิดขึ้นมาให้เราดูได้ครับผมดีที่ไม่เชื่อมันนะอย่าตามมันไปก็อีกอันท้าสุดท้ายมีวันนั่งอยู่เมามองไาในที่สภาพแวดล้อม มันเกิดสว่างขึ้นมารู้สึกสติมันเกิดขึ้นอรู้สึกว่าร่างกายมันอมยิ้มอะอืะมันยิ้มอยู่แล้วก็คนว่าขณะนี้ร่างกายยิ้มจิตมันออกมาอเอ้ยนี่แกบ้าอะไรไงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเนีย่ยสติ ด, ดีหรือเปล่ามันเกิดอาการคา้างขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกี่เกิดจากอะไรเนี่ยให้รู้ลูกเดียวนะร่างกายยิ้มก็เห็นไปว่ามันไม่ใช่ตัวเรารไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์มันว่าบ้าไม่บ้าหรอกนะ <laughs> อะไม่ใช่ดู ไม่ให้มให้เป็นการดูกายดูจิตพร้องกันเลยนะบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตนะครับนะเราเลือกไม่ได้ว่าจะรู้กายหรือรู้จิตจิตมันรู้ของมันเองอแต่ว่าอย่างถ้าภาวนาแล้วจิตกับกายมันแยกออกมาจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยมันจะเห็นเลยเดี๋ยวร่างกายก็ยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็ยิ้มนะเดี๋ยวหน้าบึ้งเนี่ย <c oughs> มันจะเห็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนแหละ นะแต่ว่าไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์มันนะ oh. ความคิดมันแทรกเข้าไปแล้วมันพุดงขึ้นมาเองครับผมไม่ได้ทําอะไรนั่งดูเฉยๆให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านล้วครับผมจิตตัวนั้น oh. ฟุ้งซ่านแล้วเราดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกทํางานได้เอง <c oughs> ดูให้เห็นว่าจิตมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันเองสารพัดเลยเราไม่ได้ดนะูเพื่อจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิด เงั้นร่างกายมันจะยิ้มเรื่อ ง, องมันไม่ใช่เรื่องของเราครับเข้าใจครับ <c oughs> เอ้าตาลส่งงานบ้านหลวงพ่อช่วงนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวช้าครับหลวงพ่อครับรู้สึกว่าตัวเองหลงเผล่บ่อยมาก <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบไปหาความสุขเขาเรียกว่างไงอะ่ะลงลวงทางโลกอ่ะครับอ <c oughs> ย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหยิบถ่านร้อนอะ่ะอ <c oughs> ชอบจังเลยรู้สึกหลงไปบ่อยเห<ด>ลอือเกินมันรู้สึกว่าอุ่นดี หลวงพ่อครับแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าไงเวลาที่เราจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้เนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวก็เมื่อหนึ่งเนี่ยโกรธอย่างที่หลวงพ่อว่ารู้สึกตัวง่ายหรือไม่ก็เวลาที่เราทําเรื่องแย่ๆทำให้เรารู้สึกตัวขึ้นมามคือมันทําให้ผมรู้สึกว่าคืออยากจะรู้ว่าควรจะทํำยังไงบ้างถึงจะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นตันต้องซ้อมไว้นะต้องมีเครื่องอยู่ของจิตไว้สักอันหนึ่งอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับอิริยาบทสี่ก็ได้ เช่นะนเราหายใจไปเรื่อ ok ยๆหายใจเล่นๆรู้เล่นๆ น, นะอย่าไปรู้แบบเคร่งเครียดต้องรู้เล่นๆเสร็จแล้วพอจิตเราขยับเยื้อนเคลื่อนไหวไปเช่นมันรู้ลมหายใจอ ย, อยู่แล้วมันไปเพ่งลมหายใจเรารู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจแล้แลวเราก็หายใจเล่นๆไปอีกจิตแอบไปคิดแล้วเราก็รู้ว่าจิตแอบไปคิดแล้วงั้นตัวที่เราดูเป็นหลักคือจิตนะแต่เราเอาลมหายใจเป็นแบ็กกราวให้ท่านใช้ใช้สมถะเข้าช่วยอ่าต้องช่วยต้องมีเครื่องอยู่นะครับ พ่อครับติดอีกอย่างนึงครับคือว่าตัวเองมักจะเขาเรียกว่าไงติดอย่างที่หลวงพ่อเรียกว่าส่งจิตเข้าไหนอคือชือนั่งๆ่งอยู่ไงครับก็หลงเพลินคิดไปเรื่อยใจมันไปไหนถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วเป็นประจําเลยให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านแล้วกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาก็เหมือนต้องต้องมีเครื่องอยู่ถ้าามมไม่มีเครื่องอยู่นะจิตก็หนีไปนานครับเหมือนนั่งรถไปไกลแล้วกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่ง <น>อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอนะไรเงี้ยพุโทโธพุโทโธไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นลืมพุโทโธแล้วเราก็าจะได้รู้ทันว่าเผลอไปละมันจะไม่เผลอนานนะถ้าไม่มีเครื่องอยู่แล้วหนีร่อนเร่ไปเป็นเด็กเด็กกําพร้าร่อนเรนะ่ไปเรื่อยๆกลับบ้านไม่เป็นถ้านะ <c oughs> มีบ้านให้มันอยู่แต่ไม่ใช่มีคุกให้มันอยู่นะครับ บ้านกับคุกไม่เหมือนกันคนระัคุกก็คือที่ขังจิตไม่ให้เคลื่อนไปไหนเช่นเราเพ่งเอาไว้ให้นิ่งห้ามจิตกระดุกกระดิกเนี่ยครับพอเวลาเวลาเราทําคือเขาเรียกว่าไงครับเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นมาครับหลวงพ่ อ, อ, พอมันอยากจะคงไว้ล่ะมันอยากเอ๊ะรู้สึกตัวเออมีสติขึ้น<ห>มาแล้วนะให้รู้ว่าอยากครับแล้วมันก็รู้ว่าอยากแต่มันก็ยังอยากที่จะบังคับให้มันนิ่งนะหให้มันมีอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาให้รู้ว่าอยากนะเราภาวนาไม่ใช่เพื่อเอานิ่ง เราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้มีความสุขถาว ร, รเพราะความสุขถาวรไม่มีในโลกนี้ไม่ได้ภาวนาเอาความสงบถาวรเพราะความสงบถาวรไม่มีอยู่ในโลกเราไม่ได้มีภาวนาเพื่อจะดีถาวรนะเพราะความดีถาวรไม่มีในโลกสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเลยจิตนี้มีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อม เราภาวานาเพื่อจนกระทั่งจิตยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเจริญแล้วเสื่อมทุกสิ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นจิตจะไม่กระเพื่อมวัณฑไหวเพราะความเจริญและความเสื่อมเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาความเจริญเพราะความเจริญที่ถาวรนั้นไม่มีทุกสิ่งมีแต่ไม่เที่ยงทุกสิ่งมีแต่เป็นทุกข์ทุกสิ่งแต่บังคับไม่ได้เฉะนั้นภาวานาจนกระทั่งเรารู้เลยทุกอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้หมดเลย งั้นใจเราจะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเพราะความเจริญและความเสื่อมเพราะความสุขและความทุกข์เพดีและชั่วก็สงบและฟุง้งซ่านใจจะเข้าถึงความเป็นกลางในทุกๆสภาวะอย่างเมื่อกี้เนี่ยใจมันอยากพูดขึ้นมาดูออกไหครับมันมีความอยากดันขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันอยากมันมันอยากขึ้นมาเองเรายังไม่ได้อยากเลยใจมันอยากดูอย่างนี้จนกระทั่งเห็นว่าใจนี้มันทํางานเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกอะเอะอย่าง ไม่รู้จะส่งอะไระคะรู้แต่ว่ามันกลัวมันกลัวอะไรรู้จักกันมาตั้งเกปีแล้วช่วงนี้มันปฏิบัติแย่มากคือรู้ว่าตัวเองจมกับโทสะเยอะมากะฮะมีโทสะไม่ได้แปลว่าแย่มากเอามาตรฐานอะไรมาพัดมาตรฐานนี่ว่าเอี่ยงตามดูไม่ทันตามรู้ไม่ได้มันเหมือนมันจมตลอดเวลาแล้วแล้วทำไมอเอี่ยงรู้ว่าจมตลอดเวลา ถ้าไม่รู้ล่ะมันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีน่า่ะรู้แต่ว่ามันไม่ได้ดีอย่างใจไม่พอใจเนี่ยไม่ยอมรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้รู้ไม่เป็นแต่รู้แล้วไม่ชอบใจต่างหากรู้แล้วอยากจะรู้ให้เยอะๆกว่านี้รู้ให้ดีๆกว่านี้เพระฉะนั้นอย่างใจซึมกระถือเนี่ยเรารู้ว่าใจซึมกระถือนี่รู้เรียบร้อยแล้วนะ เราไปปฏิเสธสภาวะนี้ว่าไอ้ตัวนี้ยังรู้ไม่เป็นรู้ไม่ได้อย่างบางคนบอกว่าภาวนาไม่เป็นหรอกใจลอยทั้งวันเอาเรารู้ได้ไงว่าใจลอยทั้งวันถ้ารู้ว่าใจลอยทั้งวันก็ภาวนาเป็นสิคือรู้สภาวะได้ตรงความเป็นจริงแล้วนี่เพราะฉะนั้นที่เอี้ยงบอกว่าหมู่นี้ดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะนะั่นไม่ใช่การที่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้อะไรเลย น, ะนะนั่นก็รู้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีขณะใดาเลยนะที่ว่ามีจิตอยู่แล้วจะไม่มีอารมณ์ให้จิตรู้มีอยู่ตลอดเวลานี่เพียงแต่ว่าเราไม่ไม่ถือว่าสภาวะอย่างเนี้ยมัวมวซัวซอย่างเนี้ยเราไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติต้องใส่ใส่ิงๆถึงจะเรียกว่าปฏิบัตินั้นเราก็เลยบอกช่วงนี้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้อย่างใจไม่ใช่ปฏิบัติไม่ได้ <c oughs> รู้สึก <c oughs> ไหมจิตตอนนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันละ หายโง่ยางมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เอียงไปรู้สึกว่าเราทำทางโลกให้มันดีอย่างที่มันที่เราอยากจะให้มันเป็นไม่ได้มันทำไม่ได้หรอกใครๆมันก็ไม่ได้อย่างที่อยากเพราะว่าความอยากนั้นมันเพิ่มไปเรื่อยๆเอาแน่ไม่ได้หรอกอ้าเวเบอร์สิบสองกับนวัส ก, การพระอาจารย์ค่ะเออคนนี้เสียงค่ยอยยังชั่วหน่อยบางคนเสียงดังมาก ก็มาทุกสัปดาห์แต่ก็ไม่ค่อยได้ส่งกันบ้านค่ะคนเยอะก็ที่พระอาจารย์เคยทักไว้คือประคองนะคะอยากถามว่าดีขึ้นแล้วเนี่แล้วก็รู้ตัวเองอยู่แล้วนี่นไม่เห็นต้องถามเลยก็รู้รู้อยู่แล้วไม่อยากรู้ว่ามีอะไรคืบหน้าไหมคะเอมีคืบหน้าสิแต่เดิมติดเพ่งตอนนี้ไม่ค่อยเพ่งแล้วรู้สึกไหมสบายขึ้น คนส่วนใหญ่นัไปพลาดตรงที่คิดว่า ก, การภาวนาเนี่ยคือการควบคุมตัวเองเนั้นบังคับกายบังคับใจตลอดเวลากายก็เลยนิ่งๆ่งใจก็นิ่งๆ่งไม่มีไตรักณ์ให้ดูใช้ไม่ได้หรอกเราไม่ได้ฝึกบังคับตัวเองแต่เราฝึกเรียนรู้ตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองแค่นี้เองขอบเกตมันเมื่อเราเรียนรู้ไปจิตใจนี้เป็นยังไงร่างกายนี้เป็นไงบังคับได้ไหมเที่ยงไหมเที่ยงก็รู้อย่างนั้น ฝึกได้ดีนะดีขึ้นเยอะเลยปีใหม่แล้วฝึกได้ดีกลับนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูมีคําถามเดียวเลยค่ะเออที่ปฏิบัติมาถูกไหมคะหลวงพ่อดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมใจมันตื่นค่ะใจมันมีปีติรู้สึกไหมรู้สึกค่ะออมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตเรเป็นไงรู้ไปเรื่อยใจแอบไปคิดรู้สึกไหม เออนะหนีไปก็รู้ทันเนี่ยรู้ไปเล่นๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้ดีแล้วดูไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจเดีย๋ยวกันพวกเด็กๆเนี่ย น, นะบางทีนึกว่าเวลาเหลืออีกเยอะพ <Okay. S 2> พอดูเป็นแล้วก็ขี้เกียจเดี๋ยวไว้แก่ๆแล้วมาดูต่อ <c oughs> <c oughs> บางเ อ, อิญมันไม่แก่เ <c oughs> มื่อวานนี้ที่มีใครมาเล่า ว, ว่าลดคว่ำไปเฉยๆขับรถลดคว่ำไปแต่ว่าสตีมทํางานอัตโนมัติเลย ไม่ตกใจไม่กลัวนะเห็นร่างกายกลิ้งไปกลิ้งมาสติมทํางานอัตโนมัติเลยนี่เป็นผลที่พวกเราฝึกเอาไวนะ้ฝึกเอาไว้เรื่อยๆแล้วมันช่วยตัวเองได้ในยามขับขันเพราะจิตมันมีสตินะสมาธิมันก็มีขึ้นมาจิตมันมีพลังแม่เป็นอะไรเลยนะแต่ถ้ากรรมตัดรอนก็เละนะไม่ใช่ยามมาประมาทนะมาโอ้ฉันมีสติแล้วตกเหวดูสักทีหลวงพ่อคะล้ว การนั่งสมาธิจะมีส่วนช่วยทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นไหมคะมีแต่ต้องนั่งให้เป็นคนส่วนมากนั่งสมาธิไม่เป็นลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิวางไม้ไปเออแล้วนั่งไปลืมหลวงพ่อซะนั่งไปอย่างที่เคยนั่งเนี่ยผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละรู้สึกไหมไปน้อมจิตเข้าไปแล้วเอาใหม่ทำอย่างตะ ก, กี้ใหม่ รู้สึกไหมเราน้อมจิตให้นิ่งนี่ไงมันโฟกัสลงไปอยู่ที่เดียวแล้วใช่ไหมใจมันถลําลงไปดูแล้วให้เราดูอยู่ห่างๆพยายามดูอยู่ ห, าหา่างๆนี่ยให้ถลําลงไปดูแล้วรู้เนื้อรู้ตัวไว้อย่างนี้ก็ไม่ควรจะกําหนดลมหายใจไหมคะหลวงพ่อรู้ลมหายใจแต่ไม่ได้ไปเพ่งลมหายใจรู้ลมหายใจนะร่างกายนี้หายใจไปจิตเป็นคนดูอยู่ นะ<ะ>แต่กี้เนี่ยร่างกายหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ได้เป็นคนดูจิตไหลไปอยู่กับลมนะ<ะ>อย่างนี้หลวงพ่อทำเก่งทำอยู่22ปีเนะี่ยมันจะเป็นเฉพาะช่วงแรกๆที่ะจะนั่งหรือเปล่าครับหลวงพ่อเป็นไปได้พอ ผ่านช่วงนี้ไปประจิตรวมนะมันก็ไม่ได้ไหลไปแล้วถ้ารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาใช้ได้นะค่ะส่วนมากพอไหลลงไปแล้วเคลิ้มเคลิ้มไปเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้ข้างหนูจะตามรู้ลมหายใจอะค่ะจะไม่ได้ไปกําหนดลมหายใจะแต่ว่าถ้าเผลอเนี่ยจะจะเคลิมไปคือระยะหลังเนี่ยจะเคลิ้มช้าจะช็อตขึ้นนะคะเอจะสั้นขึ้นอย่างนี้ใช้ได้ไหะถูกเราไม่ได้นั่งภาวนาเอาเคลิมนะค่ะอยากเคลิ้มก็ไปหายานอนหลับมากินเข้าไป ภาวนาเนี่ยให้มีสติจะทําสมถะก็ต้องมีสติเวลาจิตรวมเนะื้อรวมนิ่มๆรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวบางทีจิตรวมลงไปร่างกายหายไปหมดแล้วนะโลกกระแทกนี้ดับไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ยังมีความรู้สึกตัวอยู่อันเดียวยังเหลือความรู้สึกตัวอยู่จิตจะไม่ขาดสติถ้าภาวนาแล้วเคลิ้มเหมือนคนนอนหลับนะไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอก แล้วการเดินกับการนั่งการเดินกับการนั่งเดินจงกรมกับนั่งสมาธิจะได้เหมือนกันเหมือนนกัเพราะว่าทุกๆอิริยาบถก็คือการฝึกสตินั่นเอง <één S 1> นะยืนเดินนั่งนอนทําอย่างเดียวกันนะแต่ว่าเวลาจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยแล้วเราพอมานั่งจิตมันก็พักผ่อนรวมเข้าไปนิ่งๆพอมีกําลังแล้วอย่านอนเฉยๆอยู่นาน<ฮ>นะขึ้นมารู้กายขึ้นมารู้ใจอย่าขี้เกียจ <whilst S 1> ถ้าเอาแต่ความสงบอย่างเดียวขี้เกียจ ขี้เกียดรู้กายขี้เกียดรู้ใจเหมือนนอนเล่นลูกเดียวไม่รวยหรอก<ะ>ต้องขยันรู้กายรู้ใจเรียกว่ามาทำงานถึงจะรวยหลวงพ่อคะเวลาหนูนอนนะคะหนูจะเห็นความคิดด้วยอะค่ะอันนี้ผิดไม่ผิดงไม่ผิดอะคะ่ะรู้ไปอย่างนั้นเลยที่ภ<ะ>าวนาอยู่ดีแล้วนะดีแล้วอจีรัสเอซะหน่<ม>นอยก็เปงเพง่งหลงๆครับจิตตอนนี้เป็นไงจีรั จิตตอนนี้ก็มัวๆครับมัวหวพ่อทานข้าวเปล่าเป็นไปได้ครับหลวงพ่อทานข้าว <c oughs> แต่ว่าจริงๆอ่ะมันเลือดขึ้นสมองน้อยไป <c oughs> เป็นทางกายทางใจไม่เป็นอะไรหญิงอะรู้สึกว่ามันมันนอกๆมันไม่ตั้งมั่นนะหลวงพ่อแป๊บหนึ่งนะเนี่ยผู้หญิงที่นั่งติดกับหนูที่ส่งกันบ้านตะเกียบเคลิ้มไปแล้วเลอไปนะอ้า มันไม่ตั้งมั่น嘛ค่ะหลวงพ่อมันดูเหมือนไม่ตั้งมั่นก็ช่างมันไม่ตั้งมั่นเรรู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะรู้แล้วก็อย่าไปเกลียดมันใจไม่ชอบความไม่ตั้งมั่นนี้ให้รู้ทันที่ใจไม่ชอบพอรู้ทันแล้วใจมันจะตั้งมั่นเองใจเป็นกลางเนี่ยหลวงปู่เทศเคยสอนนะผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางอยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นกลางเพราะปัญญานะจอยไม่ใช่เป็นกลางด้วยการพิ้ง รีบไปคิดใหญเลยเป็นกลางอา้าวใครจะคุยต่ออ่ะช่างหลังการหนูพ่อคะ่ะคือหนูพยายามจะหาวิหารธรรมที่มันเหมาะกับตัวเองเ อ, อะคะ่ะขอบคุณนะมันเป็นคนช่างคิดนะพวกช่างคิดคิดมากเนี่ยให้ดูจิตไปเลยเอาจิตเป็นวิหารธรรมคเคยเห็นไหมหจิตเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุก คอยรู้ไปเรื่อยๆทำอะไรก็อย่าลืมจิตลืมอะไรก็ได้นะอย่าลืมจิตตัวเองฝึกไปเรื่อยๆแล้วหนูต้องนั่งสมาธิไ ม, ไม่ต้องนั่ ง, งยัง ไ, ไงก็ไม่สงบนะจริตนิสัยอย่างนี้นั่งไม่ได้เดี๋ยวความสงบจะเกิดทีหลังให้เดินปัญญาไปก่อนให้รู้กปรู้ใจไปเรื่อยๆนะดูจิตดูใจเรื่อยๆต่อไปจะเกิดความสงบเองเรียกว่าใช้ปัญญานาสมาธิบางคนใช้สมาธินาปัญญา อย่างเสืออ้อฟ้าเนี่ยเขาใช้สมาธินำปัญญาได้ของหนูนําไม่ได้หรอกอยังไงมันก็ไม่สงบขอบคุณค่ณะเบอร์สิเจ็ยกมือไว้ยกมือไว้นจะได้ส่งถูกที่มาครั้งแรกค่ะ คืออยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำนะคะคือเห็นกิเลสตัวหนึ่งของตัวเองเนี่ยมากก็คือมานะถือตัวเมื่อก่อนไม่เห็นค่ะแล้วจะรู้สึกปริ่ ม, มเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะมันเป็นความรู้สึกปริ่มแต่ตอนนี้พอมันรู้จักว่าอ๋ออันนี้ยมันคือมานะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดบ่อยมากๆเลยแม้มกระทั่งเรื่องเล็กน้อยเมื่อกี้นี้ไปเข้าห้องน้ำค่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจากจะ อยากจะถามแต่ว่าเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็พอเข้าปุ๊บก็มองไปเห็นกระดาษทิชชู่ค่ะเหลือแต่แกนคือใช้หมดแล้วแวบบแรกเนี่ยัน ต, ติคนที่เข้าก่อนเราพอปิ๊บหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ดีเราก็เอื้อมมือไปหยิบทิชชู่ที่ดีเนี่ยมาใส่ ขณะที่เราเอื้อมไปหยิบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรากําลังปลื้มในความเป็นความดีของเราอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันแบบมันจะอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะดีดูได้ละเอียดดีนะใช้ได้ดีแล้วตัวนี้คือตัวเนี้ยค่ะมันจะมีการปฏิบัติยังไงที่จะให้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละนะแต่ปฏิบัติเพื่อให้รู้ทันเห็นมไ้มจิตจะมีทิ่ตีมานะอะไรมันก็มีของมันเอง มันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองทั้งวันทั้งคืนดูไปอย่างนี้ดูจนไม่ยึดถือจิตไม่ใช่ดูจนจิตมันเรียบร้อยตามใจชอบของเรานั้นตั้งเป้าให้ถูกนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปบังคับมันให้ได้เพื่อจะไปละอะไรกิเลสไม่ได้มีเอาไว้ละนะมีเอาไวร้รู้กิเลสอยู่ในสังขารขันธ์หน้าที่ของเราต่อขันธ์หคือการรู้ไม่ใช่การละให้ละอันเดียวละความอยากอยากอะไรอยากดี อยากดีอยากสุขอยากสงบอยากปฏิบัติเนี่ยเพราะเราไม่อยากชั่วเท่าไหรนะ่เราสติเราเร็วความชั่วหลอกเราไม่ค่อยได้แต่ความดีหลอกเก่งนะดีหัดดูไปเอาเบอร์สี่สนามัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะแล้วก็เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดูจิตแต่หนูรู้สึกว่าคือหนูเป็นคนที่มีความทุกข์มีกิเลสอะไรเงี้ยพอเราดูถึงจุดนึงแล้วเหมือนมันก็ ลืมลืมไปแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึง่ง อ, อยากให้หลวงพ่อชี้แนวทางการดูจริตหัดดูเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นนะทีแรกก็เผลอยาวนี่เราหัดดูของเราทุกวันทุกวันมันจะเผลอสั้นลงสั้นลงความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดตอนเผลอความทุกข์ในใจเหล่านี้นะถ้าเรามีสติอยู่จะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์ในใจเนี่ยเกิดใจากใจชอบแอบไปคิดนะ่ะหนีไปคิดไปปรุงไปแต่งนะ แล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมางั้นถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดป๊บรู้ทันนะไม่ทุกข์หรอกค่อยฝึกนะเราจะมีความสุขเยอะแยะเลยไปกดไว้หน่อยๆทราบไหม ท, ทำให้ดรือมเหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ทั้งกดทั้งตื่นเต้นค่ะช่วงนี้จิตไม่ค่อยมีกำลังตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่มากคะ่ะ แต่จะก่อนจะนอนกลางคืนเวลาเราเดินรอบเตียงเรากลับล้างหมุนตัวเราจะรู้สึกมากกว่าช่วงกลางวันกลางวันเราต้องตะลุมบอลอยู่กับโลกน ะ, ะมันดูยากนี่เรามีเวลาตอนไหนเราก็ดูตอนนั้นลนะเรากินข้าวบางทีเราเคี้ยวเราก็จะเห็นว่ากำลังเคี้ยวอยูอ่เห็นร่างกายมันเคี้ยวนะไม่ใช่เราเคียวดูไปอย่างนี้ ก้าวขาเดินอะไรยังจะเห็นชัดกว่าค่ะเออดีงั้นก็ดูร่างกายไปเรื่อยเร่เห็นร่างกายมันทํางานของมันเองทั้งวันแต่อย่าไปปละคองใจให้นิ่งก็แล้วกันตอนนี้กำลังเป็น เ, ออเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมันไม่ใช่ตัวเราเคลื่อนไหวเราเห็นจิตใจนี้เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวดูไปเรื่อยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไปกดให้นิ่งใหญ่แล้วใช่ค่ะออต้องวางไม้ซะแล้วหาย <laughs> โล ก, กลัวไหมกลัวไหมต้องต้องทำ อ, อ, อะไรให้เพิ่มมากกว่านี้ไมไม่ม่ต้องลดลงมากกว่านี้ไม่ใช่เพิ่มนะลดความจงใจลงรู้อย่างสบายสบายในชีวิตของเราเนี่ยรู้ไปแต่เบื้องต้นมันจะรู้ได้แต่กิเลส ท, ที่หยาบหยาบอย่างโทสะจะรู้โทสะได้ง่ายราคาโมหะอะไรนี้ค่อยๆรู้ไปทีหลังมันละเอียดเบื้องต้นก็ต้องเห็นของหยาบหยาบก่อน อย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่เนี่ยมีชิ้งจกพิ่งมาตัวหนึ่งกับมีงูเลื้อยมาตัวหนึ่งใช่ไหมเราจะดูตัวไหน <laughs> มันต้องเห็นงูก่อนแหละ<อ>ใช่ไหมมาดูว่าชิ้งจกนี่ลายสวยดีงั <laughs> ้นใหม่ๆมันก็ต้องเห็นของหยาบๆก่อนกล่าวขอบคุณหลวงพ่อค่ะอะหนุ่มนนท์นมัส ก, การหลวงพ่อครับพึ่งมาเป็นครั้งแรกก็ดูจิตมาเองก็หลายเดือนแล้วครับพอวันนี้คิดว่าจะมา เมื่อคืนก็เลยตื่นเต้นมาก<ฮ>พอตื่นเต้นเราก็ช่วงแรกๆก็หลงไปนานจนเอ๊ะเราลองมาดูความตื่นเต้นดูดีกว่าก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันที่เห็นความตื่นเต้นมันมีบางทีก็มากบางทีก็น้อยดูไปดูมามันก็หลับไปเองอานึกว่าดูไปดูมาเกิดเลยเกิอดอริยมรรคเพราะว่ารู้สึกบังคับว่าต้องรีบหลับคืนนี้ให้ได้คือเมื่อเคืนนี้ให้ได้จะได้รีบตื่นเช้ามาวันนี้แล้วก็แต่จะมีอยู่สองช่วงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นจิต คือไม่สามารถดูได้คือช่วงที่พูดอ ม, มันพูดไปแล้วพอพูดเสร็จก็เมื่อกี้เราพูดอะไรออกไปคือรู้ว่าเผลอไปยาวระหว่างที่พูดทําไมเผลอหรือแม่ตอนพูดเพราะตอนเผลอพูดเนี่มันต้องคิดในขณะที่เราคิดเนี่ยเราไม่สามารถดูจิตได้เราหมัวแต่รู้เรื่องที่คิดถ้าจิตไปรู้เรื่องที่คิดแล้วเนี่ยจะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวมันรู้อะไรมันก็รู้อันเดียว มันรู้เรื่องที่คิดแล้วไม่รู้กายรู้ใจนั้นเป็นปกติแล้วก็รู้สึกว่าการดูจิตช่วยให้ทําสมาธิได้ดีขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนเป็นคนที่ทําสมาธิไม่ได้เลยดูลมหายใจพูดโทไม่ได้แต่พอดูจิตแล้วพอลองกลับมาดูลมหายใจอีกทีรู้สึกว่าพอเรารู้ตัวแล้วมั น, มนง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะตั้งใจ บ, บังคับยกขาเดินจงกรมพอเท้าเหยียบแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อพื้นแข็งเย็นร้อนอรู้ว่าพื้นแต่บางทีก็จะเกิดอาการจิตดูจิตซ้ําไปก็พยายาม ้แลวกยวพยายามรู้จิตไปนะเราไม่ต้องไปรู้พื้นหรอก <c oughs> เพราะเราพื้นเนี่ยยังไงเราก็ไม่เห็นว่าพื้นนี่คือตัวเราเราดูภาวนานเนี่ยนะเพื่อละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราไม่งั้นพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่สําคัญหรอกไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราหรอกงั้นอะไรที่เรารู้สึกเป็นตัวเราอยู่ตรงไหนรู้ตรงนั้นเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีสองอั น, นก็นกายกับใจ เพราะฉะนั้นเราก็รู้กายรู้ใจในสติปัฏฐานนะให้รู้กายรู้ใจเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวไม่ได้ไปดูที่พื้นนะแต่ดูที่ตัวเองตอนนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีครับแต่ถ้ามันมันจะแยกหรือมันอะไรก็ก็จะคอยตามดูไปตามนี้นะครับฝึกไปนะั้นแล้วถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเราหัดดูจิตแล้วเราทําสมาธิง่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วการทําสมาธิมันทําได้สองอย่างอย่างคน ทั่วๆไปเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปเรื่อยๆสายไปสายมานะบางคนก็ใช้วิธีน้อมมันไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวแนะ้าอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่จิตชอบเนะี่ยอย่างบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเนี่ยพอรู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขนะจิตจะสงบบางคนท่องพุโทโธแล้วมีความสุขนะท่องไปเรื่อยๆจิตก็จะสงบบางคนดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขจิตก็จะสงบนะแต่ถ้าดูลมหายใจแล้วอึดอัดเียจิตไม่สงบ ตัวที่ทําให้จิตสงบนะัคือความสุขเพราะฉนั้นบางคนเนี่ยก็หกดัดดูรู้อารมณ์อันเดียวที่ดูแล้วสบายใจนะยังมีความสุขเรื่อยๆจิตจะสงบอีกพวกหนึง่งไม่สามารถทําวิธีนี้ได้ใช้การดูจิตนี่แหลนะจิตมันไม่สงบขึ้นมาเพราะมันมีนิวรณ์แทรกเข้ามามีศัตรูของสมาธิเกิดขึ้นนี่นถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์ดับไปนะจิตก็เกิดสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันมีสองทางนะ ทางหนึ่งใช้สมร t h เลยทางนึงใช้ปัญญานะใช้สติใช้ปัญญารู้ทันนิวรณนนิวรณตับไปสติเกิดเองทำได้หลายแบบขอบคุณครับที่ภาวนาอยู่ดีใช้ได้อยา่าขี้เกียจ น, นะวัศการค่ะหลวงพ่อคือเพิ่งจะฝึกมาไม่นานนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางวันเนี่ยจะรู้ตัวแต่ว่ า, าวันเนี่ยจะไปรู้ตัวอีกทีตอนประมาณ5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างดีนะสาธุดีที่ไม่ไปรู้หกโมงก็เลยเราบางทีเนี่ยค่ะจะแบบเดี๋ยวหลวงพ่อถามเลยนิดสิรู้สึกไหมตอนนี้กับตอนที่ก่อนจะคุยกับหลวงพ่อเนี่ยจิตใจเราไม่เหมือนกันใช่ค่ะรู้ไหมตอนนี้กับตอนที่เราตื่นนอนใหม่ๆก็ไม่เหมือนกันค่ะรู้ไหมตอนที่เราอยู่คนเดียวกับเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้เราต้องทําอะไรให้ดูดีๆรู้สึกไหม ใช่ค่ะเนี่ยให้คอยรู้ทันตัวนี้ไปนะคือแต่ละคนเนี่ยนะจะหลอกสร้างบุคลิกอะไรปลอมๆขึ้นมาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเรารู้ทันสิ่งที่เราปลอมแปลงขึ้นมานะเดี๋ยวตัวจริงเลยจะโผล่ขึ้นมาให้ดูแล้วเราจะรู้ว่าตัวจริงเนี่ยเป็นนางฟ้าหรือนางแม่มดแล้วก็จะเป็นคนที่หยุดความคิดไม่ได้ะคะ่ะไม่มีใครหยุดความคิดได้ ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิค่ะเคยใช้วิธีการสวดมนต์แต่ว่าระหว่างที่สวดมนต์เนี่ยก็จะมีความคิดแทรกขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ไหลหลายเรื่องด้วยค่ะดีแล้วต่อไปนี้ไปสวดมนต์อีกแล้วจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดมาสวดใหม่อะระหังซัมมาคิดแวบไปแล้วรู้ว่าจิตไปคิดสัมพุทโธพัควาเอาแวบไปอีกลวรู้ว่าจิตหนีไปงั้นสวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หนีแวบแวบไม่ใช่ฝึกไม่ให้จิตหนีไป เราปรับวิธีนิดหนึ่งปรับเป้าหมายใหม่แต่เดิมเราต้องการให้จิตอยู่กับที่ไม่ให้หนีไปไหนคราวนี้เปลี่ยนใหม่เราสวดมนต์ไปเพื่อจะคอยรู้ว่าจิตหนีไปแล้วมันจะหนีไประยะระยะนะให้คอยดูบ่อยๆมันเป็นการซ้อมดูจิตที่หลงนะต่อไปพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอจิตเราไหลแวบเนี่ยสติจะเกิดเองเลยรู้ทันขึ้นมาจิตจะตื่นขึ้นมานีย เมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิอะค่ะแต่รู้สึกว่าเวลานั่งแล้วเหมือนมีอะไรมาทับอะค่ะจะรู้สึกว่ามันหนักมาก อ, อ, อย่าไปนั่งมันบางคนก็เป็นอย่างนั้นแหละพอใจใกล้จะสงบรู้สึกบางคนรู้สึกหนักบางคนรู้สึกเบาบางคนรู้สึกตัวลอยๆยตัวโครงโครงบางคนรู้สึกตัวเล็กตัวใหญ่หาสาระอะไรไม่ได้ก็คือใช้เป็นวิธีการนั่งสมาธิก็ให<ต>้นั่งสวดมนต์เอาเ อ, อสวดมนต์เอาน ะ, ะสวดมนต์แล้วก็คอยรู้ทันใจที่หนีไป ไม่ใช่ส่วนมนเพื่อบังคับใจให้อยู่นิ่งๆเราไม่ได้ฝึกธรรมะเพื่อเก็บกฎเราไม่ได้ฝึกบังคับแต่เราฝึกที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองจิตใจของเราไม่เที่ยงดวงไหมเดี๋ยวก็หนีไปละเดี๋ยวก็หนีไปมันไม่เที่ยง<ม>เห็นไหมมันจะหนีมันก็หนีเองเราห้ามมันไม่ได้นี่คืออนัตตาบังคับไม่ได้เพราะนั้นเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้นะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ เรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ไดนะ้ถ้าเราพยายามปฏิบัติทำด้วยมุ่งหวังการบังคับเนี่เราจะเป็นคนเก็บกดนะยิ่งภาวนายิ่งเครียดไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้เราก็ช่วงนี้พยายามพิ่จะดูกิเลส ต, ตัวเองอะคะ่ะก็จะเห็นกิเลส ต, ตัวเองเยอะมากแล้วก็บางทีก็จเจอความอยากได้อยากมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อ, อ๋อดีมากอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติตละหัดไปอย่างนั้นแหละอย่างส่วนมลแล้วใจหนีไปนะก็ใจฟุ้งซ่านนั้นคือกิเลสแบบหนึ่ง เราอยู่ในชีวิตเนี่ยตาเรามองเห็นในนี่เราอยากได้นี่ก็กิเลสอีกอย่างดูไปดูกิเลสไปัด้แหละถ้าเรารู้ทันกิเลสกิเลสจะไม่ครอบงําจิตใจของเราจิตใจเราจะค่อยๆสบายขึ้นเรื่อยๆเพราะศัตรูที่ทําให้จิตใจเรามีความทุกข์ ก, ก็คือกิเลสนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ ะ, ะมีใครจะยกมือบ้างอ้าวเชิญอ้าว่าไปมัสการหลวงพ่อคะ่ะ เ, เมื่อสองครั้งกลับมาหาหลวงพ่อแล้วเนี่ยจิตใจไม่สบายเลยอยากใจ้หลวงพ่อช่วยชี้แนะก็ไม่มีโอกาสแต่จนณถึงวันนี้แล้วเนี่ยจิตใจดีขึ้นแล้วก็เพียงแต่ว่ามีเรื่องสงสัยจะถามหลวงพ่อว่าคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวหลวงพอ่งพ อ, งพอถามก่อนได้ไหมเห็นไหมว่าจิตใ จ, จไม่เที่ยงค่ะใช่ค่ะไม่ดีแล้วก็ดีขึ้นมาดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยจิตใจไม่เที่ยง เห็นไหมว่าเราเลือกไม่ได้เราบังคับไม่ได้ <ฮะ S 1> มันจะดีหรือมันจะเลวเราสั่งไม่ได้ <ฮะ S 1> การที่เราสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบไปเลยอาเชิญคุยต่อแล้วอย่างนี้หลวงพ่อเกิด ใ, ในเวลาที่เราเกิดมีอารมณ์มีกิเลสเนี่ยในความกโกรธในความโมโหเนี่ยนะฮะหลวงพ่อบอกว่าให้ตามรู้รู้หนูก็รู้ไป ร, ไปรู้ไปจน กลายบรรลุเป็นนานเป็นเดือนนี่ไงหนูโกรธเป็นเดือนเลยอะฮะไม่มีจริงค่ะตอนหลับโกรธไหมไม่ค่ะตอนปวดท้องจะเข้าห้องน้ำนํำโกรธไหมไม่มันเกิดดับนะมันไม่ได้อยู่เป็นเดือนอแปงว่าเราเราไปเผลอติดตรงนั้นหรือเปล่าคะเราไปจํามันไวนะ้เมื่อวานที่เขาโกรธเรื่องเนี้ยวันนี้นึกขึ้นได้แล้วก็โกรธขึ้นมาอีกแล้วก็เลยนึกว่าโกรธไม่เลิก<ะ>ความจริงเนะี่ยความโกรธเกิดดับอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> ตอนหลวงพ่ออยู่เมืองกาญเนี่ยขุนเลิศเขามาจากเมืองกาญเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวันนั้นพวกเด็กๆมาเรียนหลายคนหลวงพ่อถามว่าใครเคยมีความทุกข์นานๆมั้งมีผู้หญิงคนหนึ่งเด็กนั้นกล้าหาญยกมือมีความทุกข์ทุกข์นานเท่าไหร่ปีกว่าๆทาไมทุกข์อกหักถามแกบอกว่ามันทุกข์ทั้งวันทั้งคืนป่ะใช่บอกเคยไปไปเที่ยวตามศูนย์การค้าอะไรเงี้ยตอนที่ไปเที่ยวแล้วก็เกิด ปวดท้องอยากหาห้องน้าหาไม่เจอตอนนั้นโกรธไอ้แฟนที่ทิ้งเรวอะไม่โกรธเลยนะไม่น้อยอกน้อยใจแฟนนี่ไม่มีเลยคิดแต่ว่าห้องน้ำมันอยู่ที่ไหนพอเข้าห้องน้ำได้นะเรียบร้อยมีความสุขแล้วเริ่มคิดละมึงหักอกกูเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกกิเลสที่เกิดทั้งวันทั้งคืน หลวงพ่อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือว่าหนูได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมีอยู่สองเรื่องเรื่องขององค์คุริมาดกับว่าอมหาที่เมาอะนะฮะคือองค์ุริมาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยท่านฆ่าคนตลอดท่านมีเวลามานั่งปฏิบัติธรรมแบบนี้เลยแต่แค่ขนาดเจ็ดเดียวที่พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยท่านบรรลุได้ทันทีแล้วกับอมหาองค์หนึ่งที่เมาใช่ไหมค่ะท่านก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแต่แค่มาฟังหลวงพ่อแค่ครั้งเดียวก็บรรลุทันที หนูก็เลยสงสัยว่าอย่างเงี้ยค่ะว่าการที่บางครั้งเราตั้งใจกําหนดปฏิบัติเป็นปีๆเนี่ยบางครั้งก็เคร่งเครียดอื ม, มันหมายถึงว่าเวลาเราทำแล้วก็ทําแบบสบายๆไปเรื่อยๆไม่ทำไ ป, ไปน ะ, ปะแต่ไม่เลิก <c oughs> การปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเราเดินทางไกลเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนแต่อย่าหยุดเดิน <c oughs> แล้วก็อย่าไปดูแค่ว่าพระองคุลีมานนะฟังปิ้งบรรลุ สันติอยมาตฟังพระพุทธเจ้าไม่ใชฟังหลวงพ่อนะเมื่อกี้บอกว่าฟังหลวงพ่อพวกเขาเลยหัวเราะแต่นี่รักพระพุทธเจ้าเรียกหลวพระพุทธเจ้าว่าหลวงพ่อก็ได้ทําไมเขาฟังแล้วเขาปิ้งน่ะเขาทำมานับพบนับชาติไม่ท้วนแล้วไม่มีหลอกของฟลุกของบังเอิญของฟรีไม่มีมีแต่ทุกสิ่งต้องทำเอาเองชาวพุทธเราถือเรื่องกฎแห่งกรรมเราต้องทําเราถึงจะได้ ท่านเหล่านั้นสร้างมาเยอะแยะแล้ว <Okay. S 2> แต่มีความหลงผิดไปชั่ววูบพอได้สติขึ้นมาของเก่ามันก็ตามขึ้นมา oh, <okay. S 2> เพราะงั้นไม่มีบังเอิญ น, นะไม่ใช่เอาแล้วทุกวันเราเล่นไพ่วันหนึ่งตำรวจวิ่งมาจับนะเราตกใจเห็นขาดสะบั้นตรงนั้น <c oughs> ไม่ใช่นะ oh, okay. อ๋อค่ะคุู้ฟังก็เอ๊ะพอยวูบเดียวท่านได้แล้วกออก่อนจะถึงวูบนั้นนะวูบมาเยอะแล้วลาบากมาเยอะแล้ว oh. ล Oh. อย่างท่านพระพาหิยะพระพาหิยะเป็นเอตักขะทางรู้เร็ว uh huh. ฟังพระพุทธเจ้าเทศนิดเดียวเป็นพระละหันเลยก่อนจะมาเป็นพระพาหิยะเนี่ยเคยบวชมาสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน uh huh. ขึ้นภูเขาไปนะทําบันไดไต่ขึ้นภูเขาไปพอถึงยอดเขาถิบบันไดทิ้งเลยนะถ้าไม่บรรลุธรรมะก็ยอมตายบนเขาแล้วตายจริงๆไม่บรรลุอะไรหรอกเ uh huh. นี่ยเขาฝึกมาอย่างเต็มที่แล้วอินทร์แก่กล้าเต็มที่แล้ว ทำไมอินทรีย์ตรงนั้นแก่กล้าเพราะว่าไม่รักตัวเองใช่ไหมรักธรรมะไม่รักตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นพอมาได้ยินธรรมะเข้าถึงความไม่มีตัวมีตนนะ่ะมันสอดคล้องกับความที่ว่ากล้าทิ้งตัวเองแล้วก็บรรลุเร็วของเรารักตัวเองใช่ไหมเราสะสมเพเราฟังถึงเราฟังพาหิยะสูตรเราก็ไม่บรรลุไหนอาจารย์ลองฟังนะดูกราพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็น จักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีถ้าท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกบรรลุว่ายังฟังฟลวงพ่อมาหลายรอบยันค่ะไม่ฟังเหมือนกันนะอแต่เรายังไม่บรรลุเพราะเรายังไม่ได้ฝึกฝนมาเท่าท่านนะ <c oughs> ของฟรีไม่มีจำไว้ค่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคือความเข้าใจที่ฟังจากซีดีหลวงพ่อเนี่ยคิดว่าตอนขณะที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกอย่างเดียวความคิดไม่เกี่ยวใช่ใช่หมะแต่ในขณะที่เราทำงานเนี่ยเราจะใช้ความคิดได้ใช่ไหมคะอ่ะค่ะคืออะไรที่ว่าความเข้าใจนี่คือถูกต้องใช่ถูกแล้วขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยอาการที่ว่ามีเครื่องอยู่คือเราดูแค่ตามลมหายใจเราเท่านั้น อย่างขณะที่ฟังหลวงพอ่อเวลาเวลาดูลมหายใจนะไม่ใช่น้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่ลมอย่างเดียวเราดูลมหายใจเหมือนที่คนนี้เขาสวดมนต์อะดูลมหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทันดูลมหายใจแล้วฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันว่าฟุ้งซ่านดูลมหายใจแล้วสงบรู้ว่าสงบเพราะั้นเรารู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยเอาลมเป็นแป๊กล่าวท่านะดูจิตเป็นหลัก ดูจิตเป็นหลักค่ะไม่ใช่ดูลมเป็นหลักนั้นดูลมเป็นหลักไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกดูจิตเรา่าตอนนั้นรู้สึกยังไงลมเข้าลมออกลมไปทางไหนหายใจไปหายใจไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วเก็รู้ทันแล้วก็รู้ทันว่าจิตหนีไปหายใจแล้วรู้ทันจิตไปหลวงปู่เทสท่านบอกว่าคนโบราณฉลาดท่านตั้งชื่อว่าลมหายใจถ้าลมนี้หายเมื่อไหร่นะก็ถึงใจเมื่อนั้นลมหายเมื่อไหร่ก็ถึงใจมันจะทราบใช่ไหมฮะอืม มันจะรู้เลยไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่เราเลยปล่อยทิ้งไปเลย<ะ>แล้วก็เหลือแต่ใจดวงเดียวล้วนๆซึ่งไม่มีความคิดนึกรูปแต่งก็ไม่มีความเป็นเราเกิดขึ้นหลวงพ่อขะอีกเรื่องหนึงคือลูกชายสวดมนต์เนี่ยเราฟังเขาสวดมนต์แล้วเนี่ยคือไ ม, ไม่เป็นจังหวะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาคือเขาจะสวดยังไงเนี่ยก็สวดไปไม่ต้องเป็จังหวะให้เขาส ว, ว<ะ>สวดให้สบายใจ ไม่ต้องมีว่าต้องสวดเป็นจังหวะแบบนี้ไม่ไมต้องไม่จําเป็นนะเขาจะจังหวะบีกินจังหวะอะไรก็แล้วแต่ไม่สําคัญหรอกแ ล, แล้วขณะที่สวดที่ถ้าเกิดเข้าใจเข้าไปคิดเนี่ย<อ> ก, ก็แล้วแต่เขาหรือว่าเราต้องหนุนไม่ต้องคิดหนูสวดอย่างเดียวไม่อย่าไปบังคับว่าห้ามคิดเพราะว่าไม่มีใครบังคับได้หรอก แล้วแต่เขาแต่ให้เขารู้ว่าเขาหนีไปคิดส่วนมนต์ไปอะรหังซ้ำมาหนีไปแล้วรู้ทันอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะใช้ได้ไม่ใช่ส่วนมนต์แล้วก็ห้ามคิดนะไม่มีใครทําได้จริงหรอกอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะส่งมาข้างหน้าขสารแล้วคุณนอนใช่ไหมให้เขายกก่อนนะขสารให้เขาก่อนนามัสการหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็มาครั้งแรกครับทีนี้อยากให้หลวงพ่อแนะนำนะครับรู้สึกไม่ใช่ใจเรา มันค่อยๆรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นใจมันตื่นขึ้นมาแล้วดีฝึกไปฟังซีดิเฉยๆก็ตื่นได้นะเห็นกิเลสเยอะๆเลยรู้สึกไหมรู้สึกครับเห็นไหมร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเป็นของที่ใจเราไปรู้เข้าก็เห็นว่ามันไปของมันเองอ๋อไปของมันเองเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นของแปรปลอมเข้ามาชั่วคราวแล้วก็ไป ก็เริ่มเริ่มเริ่ดูไปนะเห็นไหมโลภโกรธหลงก็เป็นของแปรปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของมันใช่มันเป็นธรรมชาติของมันเองมันแต่ว่าไม่ถึงกับรู้สึกว่ามันมันยังไม่ถึงว่าไม่ใช่ตัวเราแค่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของมันนั่นก็คือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วล่ะอ๋ออันเดียวกันอันเดียวกันมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมมันมีธรรมชาติของมันอยู่ต่างหากมันทํางานของมันไปเองครับดีใช้ได้ ต้องปรับปรุงอะไรไม่ไม่ปรับแต่อย่าขี้เกียจนะดูเรื่อยๆแล้วว่าไม่รีบร้อนไม่ขี้เกียจแต่ไม่รีบร้อนเอาประสาทขอพรบคุณครับนพัธกานหลวงพ่อค่ะคือมาครั้งแรกก็ก็เคยฟังซีดีกับหนังสือกล้าหาญนะมาครั้งแรกมานั่งหน้ามากับน้องด้วยนขอคําแนะนําหลวงพ่อก็คอยดูใจของเราเรื่อยใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันดูออกไหม คอยดูความเปลี่ยนแปลงไปบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็เซ็งเงอะไรเงี้ยดูความเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันแต่ละเวลาในวันเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้รู้อีกเพราะงั้นให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงวันหนึ่งเราก็จะเห็นอย่างที่คุณผู้ชายนันเห็นนะมันเป็นธรรมชาติของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรา อย่าไปทำใจให้ซึมนะตอนนี้แกล้งทำใจให้ซึมๆแล้วนะรู้สึกไหมค่ะอย่าไปแกล้งทำเป็นของปลอมแกล้งทำให้ซึมจะได้ดูสงบไม่เอาอย่างนั้นไม่เรียกว่าสงบอย่างนั้นเรียกสลบจะน้อมอย่างนี้ไม่เอาติดเพลงหรือเปล่าติดเพง่งแต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะโดยพื้นฐานของคุณมันจะฟุ้งซ่านมันไม่เพ่งง่ายหรอกมันไม่ติดหรอกใช่ค่ะ อ า, ารหลุงพ่อก็มันมีสภาวะหนึ่งที่มันเคยเกิดนะครับแต่ว่ามันนานๆเกิดทีหนึ่งแต่เมื่อคืนมันชัดเจนก็คือระหว่างที่นอนอยู่นอนลืมตาอยู่นะครับมันมันเหมือนมีมันมีแสงสว่างครับผุดขึ้นแวบแวบเหมือนนีออนที่ขาดเป็นช่งชวงๆอันนี้มันก็นคืออะไรรู้อย่างนั้นแหละรู้แล้วใจเราสงสัยว่ามันอะไรรู้ว่าสงสัยไม่ใช่ไปดูปรากฏการณ์ มันให้รู้ทันใจของเราเป็นอย่างนั้นเลยมันเกิดดับให้ดูแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับสงสัยมานานแล้วครับหลวงพ่อคือหลวงพ่อเคยบอกผมว่า อ, อให้ไปงานศพแล้วจิตจะดีครับหลวงพ่อหมายถึงอย่างนั้นจริงๆรหรือเปล่าครับจริงอย่างเวลาตอนโน้นราคามันแทรกอ๋อแต่ตอนนี้ราคาไม่ได้แทรกก็ไม่ต้องไปก็ได้นึก <laughs> ว, ว่านึก <laughs> ว, ว่าทุกครั้งที่จิตไม่ดี จะได้ไปงานศพไม่จำเป็นหรอกอ้านั่นใสแว่นตานะันส่งกันบ้านยังวัดหลวงพ่อเด็กๆ เ, เยอะนะเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าศาสนายังจะอยู่ได้อีกหนึ่งเจเน a เรชันธรมสการค่ะคือมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ยังไม่เคยส่งกันบ้านค่ะก็คือเหมือนยังมีความขี้เกียจอยู่เยอะอะค่ะก็คือเหมือนไม่ได้ฝึกแบบจริงจังอะค่ะดูบ่อยๆนะถึงคราวจวนตัวแล้วมันช่วยเราได้ธรรมะ ดูเรื่อยๆอย่าขี้เกียจล่ะค่ ะ, อะเอาเอาว่าไงคือเมื่อวานแบบลองแผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกลียดดูเรามันเกิดปิติขึ้นม า, าแล้วก็ในใจก็เลยคิดไปว่ า, อาลองแผ่เมตตาให้หลวงพ่อหน่อยแล้ว เ, เป็นไงแล้วจิตใจมันก็เกิดแบบว่า คือถ้าเกิดแผ่เม่ตาให้คนที่เรารักเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็รู้สึกจิตใจมันเกิดสมนัดมากขึ้นไม่รู้ว่าตอนที่แผ่เม่ตานั้นแบบว่าหลวงพอ่อแบกว่าหลวงพอ<น>่อไม่ได้สนใจอะไรแต่มไม่เป็นไรทำไปเถอะหรือมันอาจจะเหมือนเป็นการแบบดูดพลังมาจากไกลๆ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรดูดไปเถอะคือเวลาเราคิดถึง พระนะคิดถึงอะไรเนี้ยใจเรามันไม่ได้มาจ่อเข้ามาที่ตัวหลวงพ่อหรอกมันก็สัมผัสกับพระรัตนตรัยไปมีพลังงานเยอะแยะเอาไปไม่หมดหรอกเพราะงั้นแต่ละคนนลบางคนมาส่งกันบ้านมาขอบคุณหลวงพ่อว่านู้นส่งจิตไปเทศให้ฟังนะหลวงพ่อไม่ได้ไปเทศหรอกไม่จำเป็นนะเวลาใจที่คิดถึงครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยธรรมะ ม, มันก็ถ่ายทอดขึ้นมาได้ เพราเมื่อวานมีถึงขนาดว่าหลับฝันอยู่แล้วเหมือนกับว่าผมหลวงพ่อมาตอบคําถามผมในฝัน อ, อ, อ, อนั่นแหละอย่างนั้นแหละคือใจพอเราคิดถึงครูบาอาจารย์นะมันก็สัมผัสอย่างนั้นนะหลวงพ่อไม่ได้มาเข้าฝันผมใช่ไหมครับหลวงพ่อไม่ใช่ผีนี่ <laughs> <laughs> เหมือนอย่างเคยมีฝรั่งมาถามเจ้าคุณนอใช่ไหมฝรั่งอยู่อังกฤษนะไม่สบายแล้วก็ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนาอจะช่วยได้อะไรเงี้ยก็เห็นพระผอมๆอมงค์หนึ่งมามายืนอยู่ที่หัวนอนอะไรเงี้ยแล้วแกก็หายป่วยก็าตามมาเมืองไทยนะมาเห็นรูปเจ้าคุนนอบอกองค์นี้แหละก็ไปกราบท่านอะงท่านก็เฉยๆคนไปถามท่านตอนหลังอะไปถามท่านว่าท่านส่งจิตไปช่วยเขาหรือเปล่าท่านบอกว่าโดยธรรมชาติจิตของพระอริยะอย่างนี้ท่านไม่ใช่ใช้คำอย่างนี้นะหรือท่านต้องเลี่ยงน่ ถ้าถ้าพูดตรงๆคือโดยธรรมชาติจิตของพระญาติเจ้าเนี่ยมันแผ่ครอบโลกอยู่แล้วจิตของเขาสัมผัสได้เขานึกถึงคล้ายๆกับว่าจิตของพระญาติเจ้านี่นะเหมือนเครื่องส่งวิทยุเครื่องส่งมันส่งออกไปแนละ้วมันส่งทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเครื่องรับต่างหากอะจะรับยึบเปล่าถ้าเครื่องรับรับได้มันก็สัมผัสได้ถ้าเครื่องรับรับไม่เป็นก็ไม่สัมผัสแล้วเครื่องวิทยุวิ่งอยู่เต็มโลก แท้จริงแล้วพลังงานของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายยังไม่ได้หายไปไหนเลยนะเต็มโลกเต็มจั ก, กรวาลอยู่นั่นเองถ้าเราแค่ะระลึกถึงนะใจเราถึงจริงๆนะัเราสัมผัสได้เลยอย่างเวลาเรากราบพระเนี่ยนะเราจะกราบพระแล้วเราะระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่นะเราจะมีความรู้สึกเหมือนท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเรากําลังกราบลงที่เท้าท่านเลย จิตจะมีปีติมีความสุขมีความเบิกบานเราจะรับกระแสพลังงานันมหาศาลนั้นได้เป็นวิธีขี้โกงนะอ่ะพ อ, อย่างอ้าวภาพไปรู้สึกวันนี้เล่นอยู่สองรอบอ้าวอครับเรียนถามวิธีข้อปฏิบัตินะคะ่ะหลังๆนิยมมาลองใช้วิธีเคลื่อนไหวกายดูใช่ได้นะนิยม ดีใช่ไหมคะ<ด>เพราะว่ารู้สึกไหม<ด>จิตมีพลังค่ะจะดีกดูจิตเพราะว่ามันไม่<ด><ด>ปรุงแต่ง ค, คือหลวงพ่อจะบอกอันหนึ่งให้อย่าเสียใจนะคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นนะดูจิตยอย่างเดียวบางทีมันเบลอเลอไปต้องเอาร่างกายมาช่วยด้วยเพราะโดยธรรมชาติพออายุเยอะขึ้นนั้มันเบลอง่ายะรู้กายสัมทับลงไปด้วยช่วยได้เยอะเลยอะคนนั่นเนี่ยที่นั่งวันนี้ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ เหมือนไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ใจมันกระจายไปรู้สึกไหมันเหมัอนกว้างกว้างออกไปเหมือนแรงมันตกไปให้รู้ว่าแรงตกอย่าอยากรู้ตัวให้ชัดถ้ามันเป็นยังไงแล้วยอมรับได้นะจะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนว่าถ้าบางช่วงนั่งเฉยๆมันจะแบบเหมือนตกเหวลงไปเอมันเลยต้องฝืนๆไปไม่งั้นเหมือนฟังชั่นไม่ได้ก็ดูกดิกไหมก็เคลื่อนไหวไปหมดหรือยังวันนี้อ่ะเบอร์ห้าสิบ วันนานๆจะเกิดปรากฏการ์อย่างนี้นะคือคนไม่ถึงครึ่งห้องไม่เป็นอย่างนี้มันนอนแนละ้วใช่ไหมรู้สึกดีใจไหมหลวงพ่อก็ดีใจเหมือนกันนะถ้าเหลือแถวเดียวดีใจมากขึ้นอีกมันโลง่งเพราะว่าจิตของคนนะปล่อยพลังงานตลอดเวลาอ่ะในมรสกาการล ะ, ออะนี่ เพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติไม่แน่ใจว่าแนวทางที่ปฏิบัติหัดดูไปเลยนะเห็นกิเลสบ่อยๆแล้วใช้ได้กิเลสอะไรเกิดบ่อยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็มีโทสะนะครับโทสะเกิดบ่อยแล้วก็จิตมีโทสะเราก็รู้นะจิตไม่มีโทสะก็รู้ถ้าเรารู้หนึ่งคู่จิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะเรารู้ได้ทั้งวันละเพราะจิตก็มีอยู่แค่นั้นอะมีโทสะกับไม่มีโทสะ นีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยเติมอีกตัวหนึ่งจิตหนีไปคิดจินี้ไปคิดคือจิตฟุง้งซ่านเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมตะกินไม่ทราบตอนนี้พอหลวงพ่อทักก็เลยรู้รู้สึกหลวงพ่อบอกเรารู้ไหมครับเนี่ยแต่มาหัดเที่ยวเพื่ออย่างเนี้ยนะอ้าวตุกต า, าม้างยัดเยีดใหม่มาให้เนาะแ้วก็ด<ง>ีค่ะก็ช่วงไม่ได้ส่งกันบ้านหลายวันค่ะก็<ม> ช่วงก่อนปีใหม่อะค่ะสี่วันจิตมีกําลังแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยที่ผ่านมาหกวันนี่มันมัวตลอดแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นทางกายอะค่ะเพราะว่ารู้สึกปวดหัวแต่เอ๊ะทําไมเป็นทางกายแล้วมันมันมัวแล้วมันไม่ตั้งมั่นด้วยค่ะมันถ้าเกิดเป็นทางกายมันไม่น่าจะลอยขึ้นมาได้เมื่อวานถามดูใบหน้ามันมีโทสะด้วยมีโทสะแทรกอยู่ในโมหะเมื่อวานถามหลวงพี่อาค่ะก็ หลวงพีอาบอกว่ามันไปเพ่งความคิดนะคะขึ้นไปเพ่งมันก็เลยปวดหัวก็เลยเลิกเลิกทำไปกลับมนับหนึ่งใหม่ให้ดูลงไปเลยนะจิตมัวมีโมหะ ก, ก็มีไปแต่จิตมีโทสะไม่ชอบมันอนะ่ะให้รู้ทันตัวนี้ทําไมบ า, บางสภาวะนี่เรารับมันได้แต่บางสภาวะมันเหมือนมันไม่ยอมรับสัทีเพราะว่ามันไม่ใช่เราจิตมันไม่ใช่เราเหรอก มันรับได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะไปเชิญกลับบ้านเดี๋ยวข้าหลวงอีกคําถามนึงอ้าวว่าไปเออหนูเป็นมือใหม่ค่ะเพิ่งหัดดูเริ่มนั่งสมาธิไม่ไม่กี่วันนี้เองก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําอะไรอะไรที่เหมาะคือคือภาวนาเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเริ่มจากการนั่งสมาธิเสมอไปบางคนนั่งแล้วก็ไม่สงบนะเลยท้อแท้ใจไม่สงบแล้วคงภาวนาไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก การภาวนาวิธีที่ง่ายๆสำหรับคนคิดมากคนในเมืองคนที่ใช้ใช้ความคิดเป็นเครื่องธรรมหากินเนี่ยคือการที่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของเราบ่อยๆนะของคุณนั่งไม่สงบหรอกของคุณดูความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆจิตใจเราโกรธเป็นไหมโกรธรู้จักโกรธไหมรู้จักโลภไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักอิจฉาไหมรู้จักกังวลไหมเราเป็นทุกตัวเลยเห็นไหม ตอนนี้ความรู้สึกอะไรกําลังอยู่เราก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วต่อไปจะเข้าใจทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยรู้ด้วยตัวเองนะฝึกอย่างนี้เราฝึกสติจิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมแอบไปคิดละไหลายแวบไปหนีไปคิดให้รู้ทันมันตื่นเต้นขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตมีปีติแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงของเขานะ หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องไปนั่งเนื่งอะไรหรอกดูอย่างนี้แหละนั่งก็นั่งดูไปอย่างเนี้ยน ะ, ะเชิญกลับบ้านโอ๊ะสิบโมงเป๊ะเลย